งก็ได้นั่งนงเกียเนนั่นนนกรรมสมาธิก็ได้นะหพอ่อคเขียนต้องบอ ก, ก ในการพูดมันทำให้เราเข้าใจว่า อ, อ๋อคำวสึกของพ่อนี้ไม่ใช่สอเสือเป็นไปสอนสระนะคือมันย่อมาจากคาว่าให้เราศึกษานะศึกษาตั้งแต่นมนมสาวสาวตื่นแต่ดึกเนี่ยมันก็ได้ได้ทำอะไรหลาย ๆ, ๆอย่างที่มากกว่าคนอื่นเนาะนะเราตื่นตีสี่ตีห้าเนี่ยเราก็ได้มีประดานะได อ่านหนังือในสวดมนต์ไหว้พระนะได้ทําอะไรหลายอย่างถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านักอื่นแต่ดึกก็ได้ไปขายของนะได้ไปทํางานเยี่ยงบอกคนอื่นนะถ้าเป็นนักเรียนก็เคยอ่านเคยตื่นแต่ดึกเมื่ออ่านหนังสือไหมบางทีความจําตอนเช้ามัดีนะใช่ไหมเราตื่นมาตอนเช้าอ่านหนังสือต่อเนะอี่ยตอนตีสี่ตีห้า เวียนมาเยอะนะมันก็กแบบับสมองมันก็ลานะความจํามันก็มันก็อะไรมันก็เสื่อมไปสักหน่อยประมาณคิดว่ามันต้องอ่านประมาณสักสองชั่วโมงต้องสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยถึงจะเทียบเท่ากับอ่านตอนเช้าแค่ชั่วโมงเดียวความจําคนเราเนี่ยในตอนเช้ามันดีมากนะถ้าเราตื่นแต่เช้านะมา ที่ดีมากการที่เรามาฝึกสมาธิฝึกสติเนี่ยมันจะช่วยช่วยได้เยอะเลยช่วยในการเรียนนะ่ะก็ได้นะถ้าเราตั้งใจเรียนจริงๆเนะี่ยบางทีเวลาเราไปทวนหนังสือไปอ่านเลยเนี่ยนะมันจะมันทวนทีเดียวมันก็พอนจำได้ละถ้าในการเรียนก็ดีหรือในการสอบก็ดีนะแต่การสอบถ้าเรามีสมาธิมีสติดีๆเนี่ยมันก็ โอกาสผิดพ่านมันก็น้อยนะยังรู้สึกเสียดายตัว เ, เองแต่มัได้มันมีข้อสอบกอนเอ็นทานม .6 อย่างนี้ยเออเป็นอย่างกนิตสานะมันก็จะมีทั้งอัธนายแล้วบาลนายนะทั้งที่ต้องเรียกว่าเขียนเป็นคําตอบแล้วก็มีที่เป็นกานเรายังตอนแดกข้อสอบที่มันเขียนเป็นคําตอบ มันได้คะแนนเยอะใช่ไห ม, มเราคิดว่าคิดได้ทำได้ทำได้ทำออกมาออกมานะทำเลขก็มั่นใจว่าตัวเองทำถูกแต่พอแล้วเราก็รีบทำนะรีบทำไม่ทวนพอออกมาจากห้องสอบเอ๊ะทไมเพื่อนก็พูดว่าเขาตอบแบบ น, นั้นเราก็เอกใจพอมาทวนเลยดเยีเราก็มาทนะ เราคิดว่าเราทำถูกแล้วเราไม่ทวนเราไม่ทว น, วนก็เลยเสียดายิดไปตั้งแตสองสามข้อนะทั้งที่มันก็น่าที่จะถูกประมาณนะั้นคือความความรีบร้อนของเรานะความประมาทของเรามันก็ทําให้บางทีพลาดเอไม่กี่คะแนนะก็ทําให้เราพลาดหวังจากคณะที่เราที่เราต้องการได้ชีวิตเราก็คล้ายๆกันในนั้นะ บางทีแค่คล้ายมันพลาดนิดเดียวเนี่ยมันก็มีส่วนในการพลิกผานชีวิตเราเยอะนะในการที่เราจะประสบความสําเร็จทั้งโร ก, นะนนงงกก็ดีนะหรือในทางทำมรดกก็ดีะบางทีมันแค่นิดเดียวนะคํานะคว่าเกือบแพ้นะกับคําว่าเกือบชนะอันไหนดีกว่ากัน <c ười> เกือบเกือบแพ้ไหมดีกว่าไหม เกือบชนะเนี่ยโอ้เงมือนเกือบชนะนะออ ม, มีเขาทําวิจัยเกาทําวิจัยว่าเวลานักกีฬานะที่ได้เหรียญทองอย่างเช่นโอลิมปิกนะมันมีเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงใช่ปะคนเขาจะเปรียบเทียบไอเหรียญทองอนี่ยคนที่มีความสุขเยอะแหละนะมันได้ที่หนึ่งนะแต่เขาเปรียบเทียบก็ ว, ว่าคนที่ได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงพราะคว่า นักกตดาที่ได้เหรนยญทองแดงเนี่ยมีความสุขมากกว่ามีความพอใจในตัวเองมากกว่านักเกตดาที่ได้เหรียญเงินเ <c oughs> พราะอะไรเหรยเงินเนะ่ะมันรู้สึกว่าอีกนิดเดียวจะได้เหรียญทองอ่ะจะเสียดายคือมันได้มันดีใจอยู่นะแต่มันไม่สุดเพราะว่าอีกนิดเดียวจะได้จะได้เหรียญทงองอ่ะไม่น่าเลยนิดเดียว แต่นักกีฬาที่ได้เห็นยทองแดงเนี่ยมันจะแบบเออดีนะเกือบไม่ได้แล้วเกือบเกือบไม่ได้เหรียญทองแดงแล้วนะเพราะว่าถ้าตกเป็นที่สี่ก็ไม่ได้เหรียญรากวัลอะไกลับไปเลยนะฮะนักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงก็แบบรู้สึกอืมดีใจดีใจดีใจมากกว่าคนที่ได้เหรีเงินเพราะว่ารู้สึกว่าจะเกือบจะไม่ได้นะเกือบจะไม่ได้เหรียญแล้วนะเออได้ที่ได้เห็นนญองแดงก็ยังดีนะ่ มีความสุขมากกว่าครับมีความสุขมากกว่าบางทีมันก็ถ้าถามว่าความสามารถของคนได้เรียนเงินนะก็เก่งกว่าคนที่ได้เรียนทองแดงในขนาดนั้นะในขนาดนั้นก็ถือว่าเก่งกว่าแต่ปรากฏว่าคนเก่งกว่ากับมีความสุ ข, ข, น, น, ขน้นนะนขนนขขอย ก, กว่าคนที่เก่งน้อยกว่าก็ามีนะ่ะแบบนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติในการมองตอนนี้ด้วยเหมือนกัน ในส่วนหนึ่งมันก็บางทีความสามารถจากบางอย่างมันใกล้เคียงกันอนะ่ะอย่างเวลาเราสอบแข่งขันก็ดีหรือเราเล่นกีฬาก็ดีเสืออ้ไรแบเนี้บางทีความสามารถมันอาจจะต่าง ก, กันนิดนหน่อยหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะช่วยให้เราอัปเกรดตัวเองนะในขณะนั้นนะได้ดีมากก็คือเรื่องของใจเรื่องของใจอย่างที่เราตรวจ ทุกสี่งทุกอย่างนะมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าแต่สําเร็จ ด, ด้วยใจนะแต่มันก็ด้วยกายด้วยแหละส่วนหนึ่งนะถ้าไม่ร่างกายไม่พร้อมมันก็ยากที่จะสําเร็จนะในเรื่องของทางโลกนะแต่เบื้องใจเนี่ยก็เป็นส่วนที่สําคัญพวกเราเคยได้ยินชื่อนักกอล์ฟนะชื่อที่เก่งที่สุดในประเทศไทยผู้หญิงชื่ อ, อไหมครับเคย้ยม ชื่อโปเม่หรอเมเอริยาอะไรประมาณนั้นนะเป็นเป็นคนเหมือนเึ็นคนเป็นนักกอล์ฟที่อายุไม่มากแนละ้วประมาณยี่บเอ็ดปีนะตอนนี้เป็นมืออะนะนดอลนดับสองของโลกนะอืเป็นคนไทยที่ได้อันดับสองที่สูงที่สุดของสถิติเนาะนักกอล์ฟแล้วกอล์ฟมัน ก, ก็เป็นกีฬาที่ที่ ค่อนข้างดังแล้วก็การยอมรับจากทั่วโลกเนาะเงินรามวัลก็สูงที่จริงนักกอล์ฟคนนี้ก็คล้ายๆเป็นดาวรุ่งเนาะเป็นที่จับตามองมาหลายปีแล้ะเธอก็เกือบจะได้ไดชนะในรางวัลที่สูงนะในระดับที่สูงมาหลายครั้งนะที่เมืองไทยก็เกือบชนะตีมันนำมาสามวันเนี่ยหลง ก่อนสุดท้ายเนี่ยเหมือนถ้าไม่พลาดเนี่ยในรางวัลชนะเนลิศประมาณน้เกือบได้ว่าเกือบจะชนะมาหลายคนนะน้องก็เสียใจเหมือนกันคือเกือบจะได้เกือบจะได้มาหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้สักทีก็เลยไปครั้นี้นอกจากมีผู้บุตรก่อนนักก็มีนักจิตวิทยามาคล้ายๆมนเข้ามา ด, แดูแรงมาช่วยด้วย นักจิตวิทยาเขาก็มาดูมาดูมาจับดูพฤติกรรมนะดูสไตล์ดูบุคลิกดูอารมณ์ในขณะที่ขณะที่แข่งขันเขาก็มาดูว่าตอนที่แบบเนี่ยตอนที่ผาตอนที่แบบตื่นเต้นเนียน้องปอมเมเขาเนี่ยเขาจะแบบรีบรีบพัดรีบตีเร็ว พอพอใจแบบเครียดนะกังวลหรือเกรงนะ่ะเขาจะดี้ดทำอะไรเร็วๆพอทำํำเร็วๆมันก็พัดไม่หนวกหนุนน ะ, ะมันก็มันก็เลยเสียแต้มมากขึ้นเขาก็จะเห็นว่าเนะี่ะพอถ้าเป็นจังหวะปกติธรรมดาเนี่ยเธอก็จะดีๆได้ตามมาตรฐานแต่ตอนไหนที่เธอเครียดเนี่ยเธอจะรีบทําแล้วก็มันก็เลยตามคน ม, มาตรฐานนะเขาก็เลย บอกโบมีว่าตอนไหนนะที่หนูเครียดหนูนะห <c oughs> กังวลอ่อในะให้ยิ้มยิ้มก่อนตีอยิ้มก่อนตีเธอก็เอาเอาเทคนิคที่นักสิทธิ์วิญญาณให้นะไปยิ้มยิ้มเรื่องอะไจิตใจมันผ่อนคลายจิตใจมผ่อนคลายพอจิตใจผ่อนคลายการตีมันก็ก็ได้ ตามมาตรฐานที่เคยฝึกหรืออาจจะดีขึ้นด้วยครับน ะ, ะเพราะที่จริงเรี่ยวที่มันแข่งขันนะคนจะแพ้กันชนะมันไม่กี่คะแนนหลักนะแต้มสองแต้มเ น, นะแต่พอเขามีความยิ้มผ่อนคลายแล้วก็ตีปุ๊บเนีปรากฏว่าเหมือนชนะเดิศสามรายการติดเลย <c oughs> เะชนะสารายการติดเลยออ ได้กันมาเป็นประวัติศาสตร์นักกอล์ฟหญิงไทยแล้วก็ของโลกด้วยซ้บมาพาที่โอลิมปิกไม่ได้เหรียญแต่กลับมาจากโอลิมปิกก็ได้ระดับเมเจอร์เลยนะครั้งแรกในชีวิตเนอืยก็ได้รบับวัลที่ใหญ่นะตอนนี้ก็เป็นมือทองของโลกเพราะเนี่ยคือคือฝีมือมีอยู่แล้วแต่พอตื่นเต้นพอพอกรูนะ ใจก็แบบมันไม่ปกติอาศัยนี่แหละอาศัยเพอยิ้ม น, กนักอย่างที่ครูบาครูบาห น, นุ่มบอกว่าเราเมื่อวานสังเกตไยิ้ม <c oughs> ยิ้มนิดนึงเนี่ยคือที่จริงมันไม่ใช่เสียแส้นะแต่มันเหมือนคล้ายๆพอเรายิ้มขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกตัวระหว่างหน้าที่ไม่ยิ้มกับหน้าที่ยิ้มเนี่ยมันต่างกัน บาทีพอเราคนเรเครียด น, นะเราก็จะเราก็จะแบบคล้ายใจเราต้อไปจมกับอะไรสักอย่างนะพอเรายิ้ดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกตัวว่าเรากําลังยิืดรู้สึกถึงใบหน้าที่มันเคลื่อนนะรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเรากําลังยืดเนนะี่ยปุ๊บขึ้นมาจิตใจมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวปุ๊บอ่าเขาก็ตีกรอบ ด, ดีที่จริงทุกทุกอย่างนะอาจารย์สังเกตเห็นบางคน แต่ก่อนน ะ, ะเคยเห็นเห็นนักร้องนะหลายคนนะนักร้องพอเขาจะาากำลังจะร้องเนี่ยเขาจะยิ้มขึ้นไป น, นักร้องศปินภะีนยิ้มแบบเหมือนปลุกตัวเองขึ้นมาเนี่ยยิ้มพอยิยมย้มขึ้นมาก็ร้องน่ะเป็นพลังได้เป็นที่มันก็เป็นเคล็ดลับลวลาเราใช้ชีวิตก็เหมือนกันนะเวลาเราเรียนหนังสือนักร้อง ยิ้มให้กับฝึกครูสักหน่อยยิ้มให้กับหนังสือที่จะอ่านสักหน่อยนะนะไม่ได้เป็นบ้านะแต่เรายิ้มเพราะว่าเรากาลังจะมีความสุขกับสิ่งที่เราทําครับมันมีเคล็ดลับนะคือว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขเมื่อนั้นมันจะมีสมาธิแต่เราคิดว่าคือคนเราไม่เข้าใจคิดว่า แล้วถ้าเรามีสมาธิแล้วมันถึงจะมีความสุขแต่ที่จริงเรามีความสุขก่อนนะถึงจะมีสมาธิมันกลับกันเอาง่ายๆเนะ่ะเหมือนเรามีความสุขในการอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยเราจะอ่านได้นานใช่ไหมครับก็อ่านถ้าเร า, าเรื่องไหนเรามีความสุขเราชอบเนี่ยมันจะอ่านได้นานอ่อะไรก็แล้วแต่ที่เรา เราทำด้วยความชอบทำด้วยความสุขเนี่ยกราจะทำได้นานแล้วก็ทำได้ดีเนะี่ยความสุขเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธินะแต่ไม่ใช่ว่าบางทีถ้าเราจะทาสมาธิแบบหน้าดั ง, งเครา่องเรือยจริงจังเบื่ออะไรนะั้นมันจะไม่มีความสุขมาประกอบใช่ปะอิตใ จ, จก็ไม่เป็นสมาธิเพราะเราคิดแต่ว่าไม่ชอบไม่อยากนะไม่พอใจนะนั้นที่จริงเหตุ จะทำให้เรามีสมาธิดีก็คือเรามีความสุขเอาง่ายๆนะเราเรียนเพิ่มหนึ่งก็หลายวิชาเ น, ะนาะคณิตศาสตร์อังกฤษวิทยาศาสตร์นั่นนี่หลายอย่างนะเอาง่ายๆพอเราเข้าห้องเรียนนะประมาณว่าพอครูคนนี้เรารู้สึกชอบเนี่ย <c oughs> เราจะมีความตั้งใจเรียนมากขึ้นใช่ไหม วิชานี้เราก็สึกชอบเนี่ยเรียนต้องมีความสุขเนะี่ยเราจะมีความตั้งใจมากขึ้นแล้วก็เราก็จะเรียนได้ดีขึ้นใช่ไหมอืมอะไรที่เราชอบเนะี่ยเราก็จะทํามันด้วยความสุขเนี่ยแต่บางวิชาบางคุณครูเราอาจจะรู้สึกไม่ชอบมันก็เลยแบบรู้สึกเรียนแบบทุกทุกเนะี่ยแต่แน่นอนทุก เราบางทีเราอยู่ในวัยแบบนี้นะบางทีมันก็จะเลือกแต่ไอที่ชอบที่มีความถสกขตลอดมันก็ไม่มีนะไม่ใช่แต่โยมนะไม่แต่ป้าเองบางทีจะเลือกให้มันเอาแต่ถูกใจเอาแต่สิ่งที่เราชอบทั้งหมดอนะ่ะมันตก็ไม่ได้นั้นชีวิตมันก็มีเจอทั้งสิ่งที่เราเราชอบเราพอใจ เราต้องเจอเรื่สิ่งที่เราไม่พอใจเราไม่ชอบเหมือนกันแต่ถ้าเรามีสตินะมันไม่ใช่คืออย่างที่ว่าความสุขมันเป็นเหตุที่เกิดสมาธิแต่ตอนนี้ตัวสติเนะี่ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนไอ้ความไม่ชอบนะกลายเป็นความปกติควาอปกติมันจะมีความสุขนน้อยทําให้แม้บางครั้งเราจะเจอเช่นสมมตินะตัวอย่างครูที่ไม่ชอบ วิชาที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเห็นใจเราที่ไม่ชอบเห็นใจเราที่มันเอรู้สึกมันทุกข์อะไรแบบนนีะ้มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนกลับมาเป็นปกติมากขึ้นอาจจะกลับมาอีกวะไม่เป็นไรแต่มันก็จะเปลี่ยนก็ไปอีกะวะเราอ่านหนังสือล้วเครียด น, นะทําไมเราถึงรู้สึกอยากหาอะไรกินสังเกตปะเรอ่านหนังสืออ่ะ จะกินขนมกินนั่นกินนี่จะหิวนะเลยเพราะอะไรการกินนะมันก็มีัข้อดีข้อเสียข้อดีคือ อ, อ, อ, อ, อะไรคือทําให้เราหลุดออกมาจากโลกของความเครียดมาอยู่กับการกินมาได้แกะขนมมาได้ได้ขยับอะไรนะนะได้ขยับเนงะีอืมมันพอร่าง ก, กายันได้ขยับอยู่การกินจิตใจผ่อนคลายขึ้น ไปอ่านมันืออีกมันก็เลยอ่านได้นะแต่มันก็อาจจะเป็นข้อเสียถ้าเรากินเยอะเกินไปมันก็อาจจะอ้วนนะอาจจะได้ือกินแต่ของกรุ๊กเคี้ยวของขนมถุงมากมันก็อาจจะระสมการพิดเข้าไปแต่มันก็คือเคล็ดลับครับแต่ที่จริงนะถ้าเรารู้ตัวโอ้ที่จริงเคล็ดลับจริงๆทําให้เราหายจากความเครียดคือแค่การขยับออกกำลังกา์เปลี่ยนอิริยาบถนิดนึงเนี่ย อ๋อเราก็ไปเปลี่ยเอย่างอื่นบ้างนะขยับเนื้อขยับตัวยิ้มแย้มแจ่มใสนะเ่อนไหวอะไรก็อ๋อมันก็เป็นการปลุกจิตขึ้นมาลนะขยับออกมาจากอารมณ์นะอันนี้คือถ้าเราดีตตินะมันจะช่วยปรับนะไออารมณ์ที่มันเป็นอบตุสนอารมณ์ไม่ดีกลับมาให้เป็นอารมณ์ที่มันดีขึ้นนะดีขึ้นเราก็จะมีความสุขมากขึ้น มันก็จะมีสมาธิมีความตั้งใจมากขึ้นนะและที่จริงเรื่องราวของของการศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมเนาะบางทีมันอาจจะาอาจจะไม่ได้สนใจธรรมะระดับที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ปล่อยวางเสิ่งทุกอย่างแต่ท่าาจาร ก, ก็เชื่อว่าธรรมะก็มีประโยชน์ในชีวิตของพวกเรา ท, ทุกคนมากนะ เอาธารรมะไปใช้ในการเรียนเอาธารรมะไปใช้ในการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะเอาธารรมะไปใช้กับอยู่กับเพื่อนเอาธารรมะไปใช้กับอะไรทุกอย่างในชีวิตของเราเนะี่ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นชีวิตเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงไม่ต้องเป็นไม่ต้องว่าเราจะต้องเป็นพระทหารเราจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่ ก็ไม่เป็นไรนะสาหรับพวกเราในตอนนี้นะักนะแต่ถ้าเราเอาสมณะไปใช้ในการใช้ชีวิตเนะี่ยเราจะเรียกว่าความสาเร็จในทางโลกนะก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้วก็ความสุขใจนะก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นคำว่าความสุขอย่างที่ว่าเหมือนนักกีฬาได้เหรียญทองแดงมีความสุขมากกว่าเหรียเงิน หรือบางคนอาจจะเรียนเก่งมาตลอดเนาะเคยได้ที่หนึ่งเคยได้เกีรติสี่มาเยอะๆนะพอบางวันเราพลาดบ้าง น, นะเราก็จะไม่ทุกข์มากหลายคนเป็นทุกข์นะตอบได้ที่สองเป็นทุกขนะ์เพราะว่าเคยได้แต่ที่หนึ่งนะมันพลาดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ก็เสียใจคืออาจจะเสียใจก็เสียได้นะแต่เป็นเพราะว่าจะเป็นตรงทุกข์ จะไปเสียใจนานนะก็กลับมาสู้ใหม่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราหรอกครับจริงๆนะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราหรอกชีวิตของเรายังมีอย่างอื่นอีกมากมายนับเอ่ะจะไปอยู่กับความผิดหวังเลยสักแค่อย่างเดียวมนะันทำให้ชีวิตทั้งหมดมันมันหมดคุณค่าไปถ้าเรามีแบบนี้นมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราก็จะเห็นคุณค่าของการที่เรา มีสมาธิมีสตินะบเอาไปใช้นะกันใช้ชีวิตของเราความทุกที่มันจะเกิดเข้ามาในอนาคตเราก็จะมีเครื่องมือในการที่จะรับมือกับมันได้นะเราเคล็ดลับนะเนี่ยพลิกมือรู้สึกเดินรู้สึกนะบทีก็จะเห็นบางทีในหนังนะบางทีหนังมันก็ทำกระดกดีนะเวลาคนบางคนเครียดใช่ปะ ทําเป็นเตือนกลับไปกลับมาเหมือนเดินจงกลมเนีลย <c oughs> เดินกลับไปเครียดคิดอะไรไม่ออกอ่ะเดินกลับไปกลับมาเออเนี่ยคือเดินจงกลมนะมันก็ตคงทําให้เออารมณ์ดีขึ้นนิดนึงแต่เสียแต่ว่าในหนังนะพอมันต้องสแสดงแนะไอ้คนนี้มันเครียดนะมันก็เลยทําหน้ามันเครียดใช่ปะแต่จริงถ้าเราเครียดนะอ่ะเราก็เดินจงกลมแต่ทาหน้ายิ้มๆสักหน่อยแย้งยิ้มขึ้นมานิดนึง ให้ใจมีความสุขเพิ่มขึ้นเดินไปเดินมานะผ่อนชายนะนี่เอาไปใช้ในการเรีย น, นเอาไปใช้กับทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยธรรมะ น, ะนะ่ะพระพุเจ้าท่านที่เราสวดมนตอนเช้าบอกมอนมีบทหนึ่งที่บอกว่าเป็นสิ่งที่น้องเข้ามาแต่ตัวธรรมะงนังสือธรรมบัดน่ะ มันอยู่ในหนังสือเนาะเราน้อมเข้ามาใส่ตัวคืออะไรเราอา่านเราได้ฟังเราน้อมเข้ามาปฏิบัติอันเนี้คือสิ่ที่ธรรมะน้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมเข้ามาสู่การปฏิบัติสู่ใจของเราเนี่ยคือเรียกว่าเอามาสู่ตัวเราให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แต่คือประการปฏิบัติทุกอย่างเลยนะธรรมะสามารถเอาน้อมเข้ามาใส่ตัวได้ ถ้าเราน้อมเข้ามามากเท่าไหร่นะมันเหมือนแทนที่ครับธรรมะเข้ามาใส่ตัวกิเลสมันก็ไม่มีที่อยู่คล้ายๆธรรมะเปรตเหมือนแสงสวา่างเปิดไฟปุ๊บความมืดมันก็หายไปนะสถานที่ปกติถ้าเราไม่เปิดไฟมันก็มืดใช่ไหมครับนั่นเหมือนขอคู่กันธรรมะกับอธรรมนะมันก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แหละนะ แต่สิทแต่ว่าอะไรมีกําลังมากกว่าถ้าธรรมะมีกําลังมากกว่าธรรมก็กิเลสต่างๆก็ลดไปมันเราเปิดไฟปุ๊บความมืดก็หายไปเราปิดไฟปุ๊บความมืดก็กลับมาเ น, นี่ยแหละมันอยู่คู่กันเพียงแต่ว่าเราจะใช้ด้านไห น, นมันเหลียงสองด้านนะนะเหลี่ยงสองด้านเราจะไงด้านไหน ด้านนั้นก็เด่นขึ้นมาจิตใจของเราโดยแบบที่มันแบบนี้ก็เหมือนกันนะมันก็มีสองด้านด้านบวกด้านลบหรือว่าด้านรู้ด้านหลงด้านดีด้านไม่ดีนะพันจะมีแบบนี้แหละนะแต่สติจะเป็นตัวเหมือนชี้ทิศทิศทิกด้านลบเป็นด้านบวกทิกด้านไม่ดีเป็นด้านดีทิกด้านหลงเป็นด้านรู้ สัวนะี้สำคัญมากตัวทิกนะตัวทิศก็จะรู้สึกว่าโองจริจริงจริท่านมันมีมันมีอยู่นะมันมีอยู่อยู่ด้วยกันนะันะ่นแหละเพียงแต่ว่าเราคิดไม่เป็นนะบางคนพอเข้าใจธรรมะอุทานนะอุทานว่าโอ้พระพุทธเจ้าช่วยหงายของที่มันคว่มให้เปิดให้ให้พลิกขึ้นมานะช่วยเปิดสิ่งที่มันติด ให้เปิดออกมาให้เปิดออกมามันเหมือนเปิดออกมาเหมือนเราเปิดประตูปุ๊บอ๋อแต่ก่อนเราไม่มีตัวแจเปิดนะพอมีตัวแจปุ๊เปิดอ๋อเข้าห้องได้แล้วนี่ยมันมีอยู่แล้วนะห้องคือเราหายสักหนึงมันก็ได้อยูแล้วเห็นไหมว่าเราต้องมีตัวเนี้ยคอิกนะก็เบื้องต้นเนี้ยสติในการรู้สึกตัว ว่าโอมีเก็อาจจะยิ้มนะทาให้ติตใจมีความสุขมากขึ้นของมคายมากขึ้นก็ทําให้มีสมาธิมีสติมากขึ้นอืห <c> ร <oughs> ือเราก็เนะี่ยเคลื่อนไหวร่างกายนะกลับมารู้ลมหายใจก็ได้ปิดมือก็ได้เดินก็ได้นะเป็นการเรียกสติเรากลับมานะมันมีแล้วเหมือนเป็นการพลิก ก็จะตั้งมั่นมากขึ้นเนี่ยพอเราพลิกไปบ่อยอย่างที่พราจารย์พูดว่าทำอะไรบ่อยๆนะมันจะเป็นนิสัยจะเปลี่ยนนิสัยรา่ว่าเปลี่ยนนิสัยเนี่ยอมันก็อย่างที่เขาว่านะมันก็ถูกคําว่าตัดสันดาลเนี่อคือนิสัยเนาะสันดาลมันจะหนักลงไปก็ทําไมต้องมาตัดสันดาลนะแต่ตัดสันดาลแล้ ก็คิดในทาลงลบนะมันต้องไปเข้าปุ๊บเข้าไปค่ายทหารไปดัดสันดาลจริง <c oughs> คำว่าดัดสันาลก็มาจากเหมือนเราเห็นเขาตัดต้นไม้นะเอากิ่งก้านเอาไปมัดไว้ให้มันปเป็นรูปเป็นทรงเพื่อนดัดเพื่อนดัดนะใช่ไหมดัดให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะเนี่ยดัดวิสัยดัดสันดาลก็เหมือนดัดให้มันเข้ารูปเข้ารอยก็คือทา เปลี่ยนทิศทางของมันมันก็จะเป็นทิศเป็นทางเป็นรูปเป็นทรงที่มันถวยขึ้นตัดกันนั่นแหละจิตใจของเราก็เหมือนกันอ่ะเราตัดตรงนี้ทำด้านที่มันดีๆบ flowers, ่อยๆมันก็จะเกิดเปลี่ยนจากด้านที่ไม่ดีเป็นด้านที่ดีหรือทำด้านที่มันดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปอีกมันก็จะตัด้าไปให้มันสวยงามมากขึ้นนะเป็นการตัดตัดตัวเองแบบนั้นแหละนะการปฏิบัติธรรม คือการมัมนค่อยๆดัดเราทุกอย่างไปค่อยๆดัดเราในทางที่ที่มันดีขึ้นเนาะบางทีคนอื่นก็ช่วยดัดแต่บางทีตราเองก็ต้องช่วยดัดตัวเองครับบางทีจะให้เถึงคนอื่นดัดเช่นให้ให้ครูเคี่ยวเข็นให้พ่อแม่บอกสอนช่วยเหลือตัองอ้งแต่บางทีก็เขาก็มีเวลาจํากัดบางทีถ้าเราต่อต้านมากๆเนาะเขาก็เหนื่อย ก็ตัดไม่ไหวเราเองก็ต้องเป็นเหมือนอย่างที่ว่านะสุภาพสิทธบอก เ, เด็กๆเนาะเหมือนเป็นไม้อ่อนไม้อ่อนก็ตัดง่ายนะไม้แก่ก็ตัดยากถือถ้าต้นไม้ต้นไหนที่กิ่งก้านมันยังอ่อนอยู่มันก็ตัดง่ายแต่ถ้ากิ่งก้านมันเริ่มแข็งมันเริ่มเก่าแล้วเนะี่ยโอ้เปตดดัดเนี่ยมันหักเลยนะแต่บางที อ่อนกับแกเนะ่ยบางทีก็ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับวัยไม่เกี่ยวกับอายุนะบางคนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะแต่แกแต่ก็ตัดยาเหมือนกัน <c ười> คือแบบเําว่าแกนะนี่คือใจแบบเรียว่าแบบดืนะ่นเนาะดืด่นได้หรือว่าแบบไม่ยอมนะไม่ยอมให้คนอื่นดัดนะมันก็ยาก แล้วก็ยากคนอื่นเขาก็ไม่ไหวเขา้าใกล้กลกแล้วก็ร้อนบอกเขาก็ไม่ฟังอะไรแต่ถ้าเราเออทาตามสิ่งที่แนะนําที่ดีนมันคนก็จะค่อยๆช่วยกัดเราเองก็จะเออเห็นประโยชน์ในการดัดตัเองมากขึ้นแต่บางคนเป็นค น, คนอายุมากนะเขาขอ่อนน้อถมถ่อมตนเขาเรียนรู้สิงง่งใหม่ๆเนื่อยๆนะมันก็จะพัฒนาตัเองได้มากขึ้นนั่นนั่นเนาะอย่าที่ว่านะักเต้ามาตื่น แต่จุนะ่ยมาศึกเป็นหนุกนะมาศึกษาศึกษาชีวิตเน่ยศึกษาธรรมะตั้งแต่หนุนหนุนังสาเนี่ยนะถ้าเราเอาธรรมะไปนใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตเนะี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเร า, เาม า, ากขึ้นจริงๆนะในการที่าำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นนะมีความสุขไม่ลบ